ตอนนี้ไปขอบรนาล ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรมฐานการเจริญพระกรรมฐานจริงๆวันนี้ก็เจริญในได้มโนยิฐิคือมีฤทธิ์ทางใจคำว่ามีฤทธิ์ทางใจการฝึกขั้งแรกก็จะได้ที่ปุณุยานก่อน คำว่าทิฏฐุกุญญาหมายคว า, ามว่าใจเป็นทิฏฐ์ไม่ใช่ดวงตาเป็นทิตสามารถจะรู้จะเห็นผีก็ได้เห็นเทวดาก็ได้เห็นนาฟ้าก็ได้เห็นตมก็ได้เห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นสัตร์นรกได้เห็นเปรตกระายสติฐานได้แล้วก็ของที่อยู่ในที่ที่รับถ้าเราต้องการจะรู้เราก็ ร, รูร้ได้ จะกกะวาดคือดวงดาวต่างๆที่ฝรั่งเขาต้องเสียสตังไปกันถ้าเราได้มโนยิทธิก็ไม่จำเป็นต้องเสียสตังเราอยากจะไปเมรอยไรได้ไอ้ตอนนี้ญาติโยมไม่ต้องนั่มือนะจ๊ะเวลานอนเอามือลงได้จ๊ะนอนนี่จะเมื่อยมื อ, มอตั้งใจฟังก็แล้วกันนะแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งในโลกนี้ประเทศไหนสถานที่ไหน มันไกลสไกลแล้วต้องการจะากไปลองไปได้สถานที่ใดเขาใส่กรอยเขาใส่บุญแจเขาปิดเราต้องการอยากจะรู้ขอในนั้นเราก็เข้าได้อย่างนี้จะเรียกวโนยิธิหรือว่าเราอยากจะทราบว่าคนที่มาเกิดที่ก่อนจะเกิดมาจากไหนเราก็ทราบได้ เรอคนตายไปแลว้วเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนมีความสุขมีความทุกข์เราก็ทราบได้ถ้าต่อไปเราก็สามารถจะทราบจิตใจของคนอื่นว่าคนนี้มีอารมณ์ใจเป็นสุขหรือมีอารมณ์ใจเป็นทุกข์เขาคิดอะไรอยู่เราก็ทราบได้ถ้าเราก็ส า, า, สาม า, ารถจะระลึกชาติของเราได้โดยไม่จำกัด เมื่อก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราใครเคยเกิดอะไรมาบ้างที่สมัยเราสามารถรู้ได้สมัยนั้นัน้นมีความสุขมีความทุกข์เรารู้ได้เหตุการณ์ต่างๆที่มีมาแล้วข้างหน้าเป็ยังไงเราทราบอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงเราทราบปัจจุบัน ป, ปัจจุบันเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขมีความทุกข์ทำกายงานอะไรอยู่เราทราบ ละเหตุที่เกิดความสุขหรืความทุกข์มีก็อะไรเราทราบอันนี้เป็นอานิสงสองการเจริญมโนนิธิแปลว่ามีทางใจแต่การแนะนำในการปฏิบัติมโนนิธิจะขอบูดไว้ก่อนเอาไว้พูดตอนท้ายตอนนี้ก็พูดเึ่งกรรมฐานทั่วไปก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้อยากจะพูดทางรูปบอรูปฌานแต่ก็ขอพูดด้วยก่อนเพราะญาติโยมมาหลายท่านด้วยกันถ้าพูดทางด้านรูปฌานจะเกิดมีความเข้มมขาใจขึ้นเพราะการเจริญรูปฌานต้องเจริญมาตามลำดับวันนี้ก็อยากขอแนะนํากรรมฐานด้านอนุสติคําว่าอนุสติเป็นกรรมฐานทำแบบง่ายๆ แค่นึกถึงตัวนึกถึงบุญกรรมที่ทำไว้จัดไดเป็นกรรมฐานอย่างเป็นเกวานุสติอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจมาวัดทุกคนได้ว่าส่วนใหญ่จริงๆอาจจะมีบ้างกุป็สนสวน้อยที่มีความคิดเลยจากนี้ทุกคนตั้งใจเข้าไวดกตัวหวังบุญหวังกุศลอันนี้แน่นอน การนึกว่าจะมาวัดจะเป็นวัดไหนก็ตามคําว่าวัดเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เมื่อนึกถึงวัดจนนึกถึงพระสงฆ์แต่การนึกถึงพระสงฆ์แล้วก็จะเข้าวัดไหนก็ต้องเป็นพระสงฆ์ที่เรามีความเคารพพอสมควรถ้าไม่มีความเคารพเราก็ไม่เข้าไปวัดนั้น การนึกถึงพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงว่าเป็นสังขานุสติกามฐานถ้าพูดถึงได้กรมฐานท่านก็เริ่มทำกรมฐานแต่ยังนึกถึงพระสงฆ์ขณะใดที่นึกถึงพระสงฆ์ขณะนั้นเป็นเป็นสมาธิในสังขานุสติกรมฐานถ้าญาติโยนจถามว่ายัางไม่จ น, นไม่ได้ตั้งขาดสมาธิ ก็กรรมฐ า, านบทอนุสติที่ไม่จําเป็นต้องขาดสมาธิเอาแไปแค่นึกถึงถ้านึกถึงด้วยความเคารพเมีในสงสูงมากถ้านึกถึงด้วยความเข้าถึงกันเฉยๆเป็นญาติบ้างเป็นพวกบ่เป็นพวกเป็นพวกพวก้อง ก, กันบ้างแต่มีความรู้สึกในความเคารพน้อยไปนหนึ่งก็ยังมีอานิสงส์การนึกถึงเระสงส์เป็นก็ดี การนึกรู้รเจ้า ก, ก็ดีแวรรูปสติเป็นกันถ้า น, นึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐ า, านถ้า น, นึกถึงวัดวารามต่างๆที่โสร้างมีความสวยสดงดงามเป็นที่พอใจของเรานึกถึงแล้วมีความปลื้มใจในการก่อสร้างนั้นอย่างนี้เป็นผิวว่าแปนรูปสติด้านดัจจารูปสติ หรือว่าไปการมทนาในด้านวิหารฐานรวมความว่าทั้งหมดการนึกถึงนี่เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ญาติโยมทำได้ไ ง, ไง่ายๆท่านกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ไถนาอยู่ทํากับข้าวอยู่คุยกันอยู่ถ้ามีจังหวะว่างนึกนิดหนึ่งก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ ถ an ้าน so like <øre> ึกถึงโบตรคจะถือว่าเวลานั้นเป็นพุทธานุสติถ้านึกถึงว่าทำคําสอนหรือคําเทศหรือคําสดมนบทใดบทหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งที่เราสนใจอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมานุสติถ้านึกถึงใบสงเป็นแสงคาลัสติตอนนี้จะว่าการถึงการนึกเฉย อ้ยญาตโยมพุทธวิสัจะสงสัยว่าการนึกเฉยๆมันจะได้บุญยังไงก็จะดำรัสสูตรในพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตรัสมาให้ฟังเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงชีวิตอยู่เวลานั้นมีเมืองเมืองหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมมัยครูเสด็จบ่อยๆแต่ก็มีแต่กูลแต่กูลหนึ่ง ไม่ใช่แต่กลนเดียวไปคณะเพราะว่าสมัยนะั้นพระพุทธเจ้าสมรู้ไปเสกธรรมสมปฎิญาณใหม่ๆคนยังไม่ค่อยเคารพไม่ไม่ฟุ้งยังไม่ฟุ้งจับเพราะว่าคณะาจารย์ต่างๆเขาก็มีมากเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ามาสอนที่หลังคนก็ยังรู้ผลกันไม่มากมีคันตากูลุ่นแต่กลนหนึ่งแล้วมีพวกพวกหนึ่งที่เขาเป็นราม แล้วความคนนี้คนหน้าใหญ่จริงเสี้ทินอธินักกาบปุปกับพราหม์อาธินักกาบปุปปกับพราหม์แปลว่าพรามผู้ไปเคยให้อะไรใครมาสอนหมายความความคนนี lost, preparing, preparing, preparing, nah, God, ้ขี <Felix 's> <ique> ้เหนียวมากขึ้นเชื่อการให้ทานไม่เคยให้ใครเลยแล้วเขาก็เป็นครูสอนวิชาของพรามสอนไตรเทซ ในเมื่อพระพุทธเจ้าไปแถวนั้นเดินผ่านหน้าบ่ายเขาทุกวันเขพบิธาบาบผ่านหน้าบ่ายทั้งพราหมณ์ัวราหมณ์เมียรามลกูมกพราหมณพวกกองทั้งหมดไม่เคยแม้จะยกมือไหวพระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่เคารพต่อมาในวันหนึ่งลูกชายเขาป่วยหนักลูกชายเกิดอาการป่วยขึ้น อ่ยทีแรกก็เคยไหา ย, ยาให้กินตามความของเราคิดเข้าๆใจว่ายาจะรจกษาโรคได้จะหายแต่ไม่ก็มาหายโรคขึ้นเรื่มากขึ้นขั้นรามจะไปหาหมอก็กลัวเสียสตังค์จะซื้อยาก็กลัวเสียสตังค์มากจึงไปถามหมอบอกไอ้โรคอย่างนี้โรคผมเหลืองยินงยาไดรักษา หมอเขาไปแนะนำให้ยารักษาโรคคือยากลางบ้านแกก็ไปเก็บยอดไม้มาจากป่าให้ยาสดมมาต้มมาคลกให้ลูกชายกินโรคก็ไม่หายมันก็หนักมากขึ้นต่อมาลูกชายก็ป่วยหนักขึ้ไปก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้แขนขาก็ยกไม่ขึ้นพูดก็พูดจะไม่ไหว ก็นึกในใจว่าพ่อแม่เราเป็นมหาเศรษฐีไม่มีประโยชน์สําหรับเราเลยท่านจะหาหมอทั้งกับซื้อดายเสียตงังท่านจะซื้อยาก็เื้อดายเสียตงังยิง่งเราไม่มีที่พึ่งเวลานี้พ่อก็ไม่เป็นที่พึ่งแม่ก็ไม่เป็นที่พึ่งฐา น, นะความเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่เป็นไม่เป็นที่พึ่งเราก็ไม่หวังพึ่งใครละ แต่เขาลือกันว่าพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้ามีความเมตตาสูงเมื่อใครมีทุกข์ไปหาท่านท่านก็ช่วยให้พ้นทุกข์เขาจึงนึกถึงพระพุทธเจ้าคอยท่านมาช่วยหายให้รักษาให้หายโรคในความจริงเขาแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าและก็ไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพอย่างบรรดาเทพุทธปริจักษ์ อนุญาตโยมทุกคนมานั่งที่นี่มันนึกถึงพระพุทธเจ้นนา อ, อะไรก็นึกถึงด้วยความเคารพนึกถึงพระพุทธรูปอะไรก็นึกถึงด้วยความเคารพแต่ว่าคนนั่งเขามันไม่จะนึกถึงด้วยความเคารพเขานึกถึงขอให้ท่านมาช่วย ร, รักษาโรคก็ยังจักว่าไม่อยู่ในใจเคารพเิงแต่ถึงกะไรก็ดีขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาช่วย ร, รักษาโรคนั่นเอง บังเอิญเขาก็ตายจากความในคนจิตวิญญาณออกจากร่างเมื่อออกจากร่างแล้วก็ไปเกิดเป็นจัวดาบนสวรรค์ชั้นดาวริงสัตวโลกมีวิบาลทองคำดรวยที่อยู่มีนาวฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารต่อมาวันหลังเมื่อพ่อเขาสบลูกชายไปฝังตอนเ ช, เช้าแก้วเพิ่งทั้งเมยไฟ ไ, ไปเส้นไปชา บนบานสายกา่าค่อยลูกชายกลับมาเกิดใหม่แต่ว่าไปบนบานเท่าไรก็ไม่กลับมาสำหรับวัดอุบลรีเที่บทก็นั่งดูความสุขของตัวเองว่าร่างกายของเราเป็นทิษมีเครื่องประดับเป็นทองคำประดับพระดาด้วยเพชรวิ ม, มายก็เป็นวิบานทองคำถ้ะมีนางฟ้าเน0่พันบริวารเป็นบริวารเรามีความสุข ก็อยาเกล้ทราบว่าความสุขที่ได้มามันมาจากไหนอาศัยเทวดาดางฟ้าในมีอารมณ์ปีิเขาก็ทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เราเกิดเป็นลูกชายของพรามจะเป็นครูสอนวิชาขอวิชาไตรเซแต่พรามชุดนี้ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าคือพระสุรรณโคดมเราก็เลยปล่อยไม่เคารพไปด้วยเพราะก็สอน แต่พอเวลาใกล้จะตายก็ปรากฏว่าไม่มีที่พึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงเท่านี้ไม่ไม่ไม่มีความเครพจริงอานุภาพแห่งบอมนาถแห่งพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรดาให้เราไปเกิดบนเทวติวดาบนสวรรค์ท่านเดาึงเทวโลกเวลานี้เรามีวิมานทองคำ และก็เวลานี้เรามีพนังฟ้าหนึ่งพันบริวารต่อไปเขานึกถึงพ่อว่าพ่อของเราเป็นคนสัมมาทิฏฐิจะมิชาทิฏฐิต่อไปเดิมเป็นมิชาทิฏฐิก็ทราบเพราะว่าพ่อยังเป็นมิจชาทิฏฐิอยู่และเวลานี้ก็ยังคิดไปบนบานสายเก่าให้เรากลับไปเกิดใหม่จําเป็นต้องไปทรามานพ่อให้มีความเข้าใจในการมาเป็นบุญกุศล เขาจึงแปลงกายกลายคนเดิมลงมายืนที่ป่าชา <c oughs> ใกล้ๆพ่อเวลานั้นท่านพ่อยืนร้องไห้บนบานสายกล่าวบัรณาครุษกายมาเกิดเขาก็มายืนร้องไห้ไกลๆท่านพ่อมีความแปลกใจว่าเจ้าหนุ่มคนนี้รูปร่างหน้าตามันคล้ายลูกของเรา ถ้าเราได้เขามาเป็นลูกของเราใทนคนตายจะเพลินใจมากแต่ก็หนักใจว่ามันร้องไห้เพราะอะไรเราร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้ร้องไห้ถึงไรถึงข้าไปใกล้ใกล้ไปถามว่าโพบริษฐะดูก่อนบรุษพุทธเจริญเธอร้องไห้ถึงอะไรทําไมจะร้องไห้เจ้าหนุ่มก็ถามว่าคุณลุงรับคุณลุงร้องไห้เพราะอะไร คุณลุงก็ตอบว่าฉันนึกถึงลูกชายคนนี้ตายไปแล้วลร่นร่างไร้เธอรุ่นเดียวกับเธอฉันอยากจะให้กลับมาเกิดใหม่ฉันบนบานสายกล่าวเส้น้ายเขาเธอกลับมาเลอแล้วก็เธอร้องไห้เพราะอะไรเจ้าหนุ่มเลยบอกว่าผมมีรถทองคำอยู่คันหนึ่งอันนี้เขาโข ก, กนะ มีรถทองคามอยู่คันหนึ่งสวยงามมากแต่ไม่มีลอ้อที่ร้องไห้เพราะอยากจะได้ลอ้อที่ตามหาเศรษฐีพรามก็คิดว่าเจ้าคนนี้คล้ายลูกชายของเรารูปร่างหน้าตาคล้ายเคืองมากแล้วก็ยังเป็นหนุ่มรุ่นดาวชาวเยอบลูกถ้าเขาเป็นลูกของเราเราจะดีใจมาก ยิ่งถามว่าเจ้าทรงการรอรถที่ทำด้วยอะไรถ้าทำด้วยทองคำหรือทำก็่โดยเจ้านนี้จะจะหาให้ไม่ได้กุนลีแค่บื่อคิดว่าสมัยที่เราเป็นลูกแม้แต่ข่ายาพ่อก็ทีเเ่เดียวไม่ยอมเสียแม้แต่ฆ่าหมอพ่ อ, อก็ไม่ยอมจ่าย เวลานี้เรแปลงร่างกลายมาค่ายคนเดิมจะเสื้อสละไม่ได้แก้วมณีและทองคํามาทำล้อรถสุลครามมันแลงมากเธอก็อยากจะดัดเส้นดานพ่อจึองบอกว่ารถของผมทําด้วยทองคํามาสวยมากแก้วมณีก็ดีทองคําก็ดีจะไปล้อรถของผมไม่ไม่สมควรไม่ไม่สมความสวยกรามว่าถามว่างั้นเธอต้องการอะไร แตยก็กว่าผมต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถอย่างละข้างเอีตา ก, การุ๊ก็โมโหบอกไอว่ามีใครบ้างที่ไหนต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้เธอก็ถามว่าคุณลุงคุณรับผมต้องการในสิ่งที่มองเห็นได้คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์แต่กับคุณลุงต้องการลูกชายที่ตายไปแล้วมองเห็นได้ไหมครับ รู้ไหมว่าเวลานี้ลูกชายอยู่ที่ไหนคุณลุงก็ตอบว่าไม่ทราบเธอก็ถามว่าคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นได้กับคนที่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นใครบ้ามากกว่ากันเธ็นางรามแพ้ใาที่สุดเธอก็ผดแดงบอกตัวว่าผมเนี่ยคือลูกของลุงเวลานี้เป็นพระดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดือนกฤติวรรลน มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนาวฟ้าแห่งฟันบริวาลมีนาวัตถุลาฬิกาพระพุทธ่ <c oughs> อก็ถามว่าเจ้าไม่เคยทำบุญเป็นเทวดาได้ยังไงเต็กก็ตับ ว, ว่าเวลาใกล้จะตายเหนื่อยว่าไม่มีอะไรไปที่เพื่อนึกถึงพ่ะสมณโคดมหันให้ไปช่วยแค่นึกถึงท่านเท่านั้นอานิสงส์ส่งผลให้เป็นเทวดาได้ ท้นานนั้นดีสุดก็แนะนำพ่อบอกว่านับตแต่บัดนี้ก็ต้นพระต้นไปรักที่พรามที่มีอยู่นั้นิดไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลให้ทุกคนในหมู่พรามทั้งหมดมีพ่อเป็นคนหน้าตั้งใจทําบุญแล้วก็สบายนะโคดมตั้งใจใส่บาตตั้งใ จ, ฟ, งใจฟังเทศตั้งใจยกมือไหว้ด้วยความเคารพ เมื่อเธอกล่าวแล้วเธอก็แปลงด้านเป็นเทวดาตามเดิมเหาะไปพ่อก็เกื่อนพระลูกชายเป็เทวดาเห็นแล้วนี่ตอนนั้นก็กลับไปบ้านไปสั่งให้แม่บ้านออกรุงข้าวมากๆทำกับมากๆทำขนมมากๆวันนี้จะเลี้ยงพัสดาห้อยจะพัสดนาโคดมได้ว่าบริว่ากับบริวารนก็สาวกเมื่อสั่งพัญญาแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้า ขณะที่มีข่าวว่าพราหมณ์คนนี้จะไปหาพระพุทธเจ้าก็มีคนเกิดขึ้นมาสองขั้คนที่เคารพพระพุทธเจ้าก็มีความคิดว่าวันนี้เราจะดูลีลาพระพุทธเจ้าทรมานพราหม์คนนี้คือเป็นมิจฉาทิฏิแต่ผู้ที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะมาดูคราหม์คนนี้เยี่ยมเย่ยมมีพระสมณานุปัฏฐ เจ้าสอฝ่ายก็ไปกันมากเมื่อพรามไปถึงแล้วเห็นองค์สมเด็จพระที่เจ้าสเด็จประทับอยู่เขาเข้าไปใกล้ยืนอยู่ข้า ง, างสมเด็จพระบรมครูยังถามว่าพระสมณาคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศ ตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์มีไหมเราพระเจ้ากระโัรว่าสนาเดินพามณนะ ด, ดูก่อนรามคนที่นึกถึงชื่อเจตหาคตอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศไม่เคยใช่บาตรตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโขดหลังจากนั้นพระเจ้ากระโทกเรียกมาแต่กุลีเทพบุตรให้มาให้มาทั้งวิมาน ตัวมาด้วยและตัวนั่งในวิมานให้มีมานลอยมาเอาวิมอยมาตกุนารีเทพบุตรลอยมาใกล้มาดุกุนารีเทพบุตรก็ลงจากวิมานเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทพจบมาะุกุณารีเทพบุตรก็เป็นประโสด่าบันญช่าว่าคนยืยนฟังดีนั่น <c oughs> ที่นาพระสูตเรื่องนี้มาไล่ฟังเพราะว่าการเจริยกรรมาฐาน มันมีวิธีการอยสองการถ้าเรียงรักเพื่อหวังอภิญญาหรืออาสมาบัตทวิชาสามก็ทำอย่างเครียดต้องมีกำลังหนักหน่อยถ้าต้องการแค่วุ่นแค่หัวนสนไปสวรรค์ได้ไปพมลุกได้ไปพิพานได้ก็ทำไม่หนักยา น, นุสติอย่างที่บรรดาญาโยงพิทยศั์มาวันนี้ตั้งใจมาจากบ้านจะมาวัด การตั้งใจจะมาวัดนี่จิตมาเป็นสมาธิแล้วสมาธิเราตั้งใจและตั้งใจใน ด, าดา้านด้านกุศลเมื่อตั้งใจจะมาวัดจิตใจก็นึกถึงพระสงฆ์ที่วัดถ้าจิตใจนึกถึงพระสงฆ์ที่วัดการที่จะมาหาต้มาหาด้วยความเคารพไม่ใช่จะมาเหยียดหยามทุกคนตั้งความตั้งใจโทษในพระสงฆ์ อย่างนี้ทุกคนถือว่ามีสมาธิในในสังขารุสตินี่ท่า น, นมีกรรมฐานอยู่แล้วกรรมฐ า, านรุสติในเจ ง, ง่ายๆนึกถึงนี่เป็ น, เ ป, นเป็นสมาธิพอเข้ามาถึงวัดเห็นบั้งพุทธ ร, รูปเข้ามีความเรื่องใส่นุรูปเป็นพุทธานุสติแล้วเมื่อสักครู่นี้บรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทถวายสังฆทานกันเยอะ ายสังฆทานยังดีกว่าทานบารมีทา น, า น, น, านบา ร, รมีึรรมือเป็นสังฆทานในมิยา น, นิสตุมาสังฆทานที่พระพุทธเจา้าทรงกลับว่าการถวายสังฆทานครั้งหนึ่งในชีวิตท่านบอกว่าจะตายไปเกิดอิจฉาอีกต่างถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดคําว่ายากจนเข็นใจจะไม่มีจะ บ, บคกคร่องจะเยถวายสังฆทาน ดินแดนใดที่เต็มไปด้ความยากแค้นยากจนเส้นใจมีความมีอยู่ลําบากคนที่จะไหวสังฆทานแล้วจะไม่เกิดที่นั่นดินแดนใดไปที่มีความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินต่างๆคนที่จะหวสังฆทานแล้วจะไปเกิดที่นั่นรวงความว่าอนิสงส์สังทานให้ความสุขธรรดาแต่พุทธบริษัทยา น, นิทาน อาราณพูดทั่วไปก็เขาหมดเพียงเท่านี้ต่อไปนี้ขอแนะนำเรื่องมโนยิธิคำว่ามโนยิธิแปลว่ามีทิศทางใจตาม น, นี้นจะมาพูดเมื่อกี้นี้ว่ามัจจยกุณลีเทพบุตรท่านอยู่สวรรค์ท่านดาวเดืองสัตวโลกแล้วก็มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนาำฟ้าหนึ่งพันบริวาร ถ้าโยมทําได้วันนี้นะถ้าอยากจะไปชมนี่มานี้ก็ไปได้ยังอยู่เลยยังไม่ไปไหนมาตรการเรียกบทยังอยู่เป็นเพื่นเป็นเทวดาที่เป็นมระโสดาบันท่านสามารถจะไปชมได้ไปแล้วก็คุยกันได้ถามความจริงได้แล้วก็ไปได้ทุกจุดเราที่ต้องการญาติ บรรดาญาติทั้งหลายและพวกฟองที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนก็บอกครูเขาครูเ ข, เขาจะแนะนาให้ไปพบ ก, กันได้แต่นี้วิธีปฏิบัติอันดับแรกคือบรรดาญาโยพระตุริษฎกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกคือว่าเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกนึกตามมณะมะเวลาให้ใจออกนึกตามภะทะ การนำกรถาภาวนานี่มีสี่คำคือนามะปทะถ้าอยากจะถามว่านามะปทะเอามาจากไหนแค่การจริงญาตโยชนหลายส็ุูกันหมดแล้วนะคําว่านามะปัททะนี่เป็นธาตุสี่คือธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเรียกเป็นกรรมฐานก็เรียกว่าจตุธาตุฐานสี่ในกรรมฐานสี่สิบเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบ ในการปฏิบัติมโนยิธิคาว่ามโนยิธิที่บางคนเรียนสือมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามีไม่ใช่เรียนสีอโลกเรียนสือธรรมะเนี่ยพระเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องมีเยอะแต่ไม่เข้าใจเรียนแล้วผ่านไปไม่จำคาว่ามโนยิธิแปลว่ามีฐานใจมันเป็นกรรฐานสองหมดถ้าทำได้อย่างอ่อนมากจะเป็นหมด เป็นกรรมฐานทั้งหมดวิชาสามถ้าทำได้เข้มแข็งไปโน่นไปนี่ได้จะเป็นหมดเขยาปัญญาจะเป็นปัญญาอย่างอ่อนนี่กรรมาฐานที่ไม่ใช้ก้อนหนึ่งอนาปานุสติกการรู้ลมหายใจเขาออกสองาสี่ 4, คือดินน้ำลมไฟเ็นธรรมวัฏทะแล้วก็สามพุท ธ, ธานสติกก็กำขนาภาวนาให้นึกถึงพระพุทพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่ง ต่อไปได้จิตใจแจ่มใสขึ้นเห็นพระพุทธเจ้ามีภาพสวยแถวคาบริยปเป็นนันไปอาโลกสินถ้านึกถึงภาพพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองเป็นสีตะกั่กระสินถ้าพระรคปสีขาวเป็นโอทาเนกัสินถ้าพระรูปเป็นแจ่มใสเป็นอาโลกัสิน รวมความในคราวเดียวกันใช้กาารรมฐานสี่อย่างร่วมกันคืนหนึ่งลมหายใจเท่าออกอันคือเรียกว่านาปาโนติกสองธ 2, าตสี่คือทํภาวนาสามพุทธาโนติกแล้ว 4, สี่เสิงต้องเป็นเราสิง น, นี่เวลาเริ่มทำจริงๆคือรู้ลมหายใจเท่าออกเวลาให้ใจเข้านึกตามนะมะ เวลาให้ใจออกนึกตามบพระท่าเอาง่ายง่ายเวลาลูล่ลมเข้าลู่ลมออกลูกล่ลมหายใจนี่อยาอยาบังคับเคร่างกายนะตัวร่างกายให้ใจไปตาสมสบายว่าตาสมสบายถ้ามันเผอไปมันคิดหน่ยคิดนี่นนมาแทนพารู้สึกตัวก็เอาใหม่นึกถึงลมหายใจทีาออกนึกเวลาให้ใจเข้านึกวนละม้ า, นะมาจะเ อ, อาต้องม่อหมวกตา การภาวนา this ครูพยายาภาวนาประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือนั่งขนาตอนนี้ทราบว่าคนนั้นจะไปสอนขณะที่มีนคนไปนั่งกลางวงหรือนั่งขนาตอนนั้นญาติโยมทุกคนที่ฝึกเลิกภาวนาไม่ต้องภาวนาด้วยไม่ต้องรู้ลงไปใจเข้าออกด้วย ตั้งใจฟังคําแนะนําเสียงก็าพูดแนะนำขณะที่ตั้งใจฟังเสียงก็พูดแนะนําตอนนี้จิตจะค่อยๆห่างใจจิเลส็กๆน้อยละน้อยจิตจะว่างจากจิเลสกจิจะเริ่มเป็นทิเพเมอความเป็นทิพเกิดได้จากกินหายใจจิเลสกที่จิเราตามปกติรู้อะไรไม่ได้เพราะว่าจิจิตเล็กไม่หุ่มหัวไว้ เมื่อเขาได้นําห็นว่าพอทุกคนเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามเึื่งความรู้สึกให้ตอบตามความรู้สึกถ้ารู้สึกว่ามีตอบว่ามีไม่มีก็ไม่มีกันให้เชื่อมั่นว่าความรู้สึกตั้งแรกถูกต้องเสมอให้ก็ถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกก็ถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าแต่งตัวเสือะไรก็ตอบตามความรู้สึก ตอนนี้ความเป็นทิพยธรรมทิพย์กุญญาณไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพยเป็นใจเป็นทิพที่เป็นทิพความเป็นทิพของใจนี่จะไม่เสมอกันก็ได้แต่กำลังสมาธิของญาติโยมถาาใจเป็นทิพยอย่างอ่อนจะมีแต่ความรู้สึกเฉยเฉยจิตไม่เห็นภาพก็ให้ตอบตามความรู้สึกไม่ผิด ถ้าใจเป็นทิพย์อย่างกลา ง, รรรงาจิตนะ ม, ม, มีความรู้สึกเขาจะจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนักถ้าใจมีความเป็นทิพย์อย่างสูงสุดจิตมีความรู้สึกเขาจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากในเมื่อท่านตอบคาถามของครูก็ถูกต้องครูเห็นว่ามีกําลังใจแจ่มเอ่มใสพอหลังนั้นเขาจะแนะนําไปพระตุลามุนีทีดีสถาน แต่ต่อไปก็จะแนะนำาบริพณานสำหรับญาติโยมที่ได้แล้วสรูก็จะแนะนำท่องเที่ยวภาิในต่างๆบ้างและเรงชาติบ้างตามทุกคนจะเวลาตอนนี้ไปควัญดาญาโยมหลายชนโดยชนนาอันหน้าไปถามวุตรุตั้งใจสมาทานชินส ม, มาทานกับสาร